อิศ ا ل ่น ا ل ر ح รุ่งม้ายุรุษเพียร์ผู้พ ل ท ي ن ษ์แ ا ่งมิลลอะลามีน ع งค์การที่เป ا ل ทุเลีย ي ผู้ต ع ل งใจและไม่ละท้ว ا อิลลัลหมินข م อัลลอฮ์ทรงปลอบประโลมเรสุนทรพจน์อั การอธิบายอย98ของสุรยูนัสซึ่งเป็นอายาที่เกี่ยวกับชื่อสุรพลเกี่ยวกับท่านนบียูนัสและเป็นเพียงอายาเดียวใน9อายของสุรยูนส มีเร ah. e. oh? ah ื่องของท่านนบิยุนุสเพียงอันเดียวเรื่องราวของท่านนบิยุนุสอู่กระบวนกุรอ่านเกือบหกสุรบางสุรานี่ก็พูดรายละเอียดเยอะสุรัตอัลเบียสุรัตนูน และผมจะประมวลประมวลเนื้อหาต่างๆของเรื่องท่านนบดยูนสุสในสุราต่างๆมาแล้วให้พี่น้องฟังแล้วจะมาสรุปกันว่าทำไมถึงมีรายละเอียดเยอะในสุราที่ไม่ใช่สุรายูนสุสที่ไม่ได้ถูกเรียกว่าสุรายูนสุสแต่พามาในสุรายูนสุส ก็จะมีรายละเอยียดน้อยมากเรียกว่าน้อยมากจริงๆซึ่งความสำคัญของเรื่องท่านใน บ, บียูนุสในสุรยูนุสก็ไม่ห่างไกลจากวัตถุประสงค์ที่เราย้า ม, มาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มที่ใบสุรยูนุสว่บบาเป็นการ ให้ก hey, ah? hey, ําใจทำไให้กลังใจท่านนบีมฮ uh, ัมมัดุละซัลลัมีิเสจากชารชากมักกะทูกิเสธทั้งตัวท่านนบีและกอัลกุรอานแล้วก็ยังเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่เดินตามรอยท้าท่านนบีุละซัลลัม แต่ในอายะนี้ยังเป็นกําลังใจให้คนที่ปฏิสิทธิศรัทธาด้วยซึ่งเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องที่เราต้องตื่นเต้นมากและเรื่องของกลุ่มชนนบียูนุสเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการให้กําลังใจผู้ปฏิสทธศรัทธา อันเป็นนิมิตหมายที่จะทำให้เราได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่มีความเมตตามแม้แต่ผู้ที่ปฏิเสธพระผู้ที่ไม่อบรรอมท่านเบียูนุสมีชื่อในตัวระวายยูนุสบินมัตตา บุตรชายของมัตตาละกะนัตอ ธ, ธิบายอัลกุรอานที่เป็นปราฏิมุสลิมมานะเนื่องจากกลัวไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาสุรยิยณีหรือฮิบรูนี่ก็มีความขัดแย้งในการตีความว่าบุตรชายของมัตตาตกลงมัตตาเนี่ยเป็นชื่อพ่อหรือชื่อแม่แต่มัตตาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่า ชื่อของเพศชายหลายคนเช่นมัตตาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ท่านนาบีอีสาแล้วก็มีไบเบิลฉบับมัตไทยมัตตาเนี่ยก็คือมัตไทยนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่า มัตตานี่ยเป็นชื่อพ่อหรือชื่อแม่นะเพราะเรื่องนี้มันเป็นข้อมูลจากเตารอซึ่งเราพอรับรู้ได้มันไม่ได้เสียหายจึงสามารถเรียกยูรุสบินมัตตาได้จะพ่อจะจะชื่อมัตตาหรือแม่จะชื่อมัตตานี่แต่ไม่ใช่สารัตมีมีมีมมมนักวิชาการที่ที่อ้างว่ามันเป็นการสำรวจของผู้รู้ว่าไม่มีนบีใด ที่ถูกอ้างถึงมารดานอกจากท่านนาบีฮะฮะฮะอิสซาอิซาอิบนุมาริยมอุลามาหลายท่านนี่ก็อยากจะรักษาหลักการนี้เนี่ยเพื่อยืนยันว่าบรรดานาบีประทุทั้งหมดเลยเนี่ยเขามีพ่อแม่ยกเว้นท่านนาบีอซาท่านเดียวที่จะต้องอ้างถึงมารดานเนื่องจากว่าไม่มีไม่มีพ่อ เป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนวดาลต้องการพิสูจน์พระเดชานุภาพของอัลลอฮฺที่สามารถให้มีมนุษย์เกิดโดยไม่มีโดยไม่มีบิดาแต่ที่สําคัญกว่านั้นว่ายูนุสบินมัตตาเนี่ยเป็นเชื่อชาติใดถ้ายูและคริสเนี่ยเขาเชื่อว่ายูนุสบินมัตตาเป็นนบีของบรรดอิสราเอล เป็นนบีที่มาจะมาหลังจากท่านนาบีสุลยมานมาในยุคที่มีอาณาจักรของยวที่ค่อนข้างมีความมั่นคงและเขาเชื่อ ว, ว่ายูนุสบินมัตตาเนเกิดเกิดที่เมืองระหว่างระหว่างเมืองอัลคาลิลและกัเมืองอิรสราเอมบางทัศนาบอกว่าเกิดที่เมืองนอร์ซิโร ซึ่งเมืองนาซีรานีก็เป็นเมืองเดียวกันที่ท่านในบีอิสราได้เกิดแต่กลุ่มชนของท่านในบียูนุสเนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่ปาเลสไตน์ไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ใกล้เยรูซาเล็มเป็นพื้นที่ที่อยู่นุ่นอยู่อิรักนุ่นนี่ที่มีดาวนี่นะเนี่ยภาษาอังกฤษในโคเดต ในนิวีในในนิวในนิวเวภาษาอ раб นี่ยียกว่านีนาวานีนาวาถูกระบุในฮะดิหลายบทที่ผมจะเล่าเรื่องให้นี่ถูกระบุในสุนนะของท่านอะบดุลส ล, ลล ล, สลละนีนาวานี่เป็นรัฐนึงอยู่ที่อิรักทำไมเกิดที่ปาลลสไตน์แล้วก็ามาดาวาที่อิรักละ่ะ ในทศนะของเตารา้อนนี่นะว่าท่านนาบียูนุสยูเขาเรยกกันยนายูภาษาฮิบรูหรือสุรียเขาเรียกกันยูน า, า, นนาในไบเบิลเนี่ยยูนุสเรียกก่ายูนานเขาบอกว่าอัลลอฮ์นี่บัญชาให้ท่านนาบียูนุสไปสู่กลุ่มชนของนีนวาวา นีนวาตอนนั้ น, นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอาชุดซึ่งเป็นอาณาจักรก่อนอาณาจักรบาบิลูลนีนวานี่ก็อยู่เหนือกว่าเมืองหลวงของอาณาจักรบาบิลูลจะก่อตั้งที่หลังในบาบิลซึ่งนีนวาวาในประวัติศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่จริงๆ ส, สอดสดค้องกับที่อัลกุรอานได้บอกว่ามีประชากรมากกว่าหนึ่งแสนคนในอดีตนะเขาบอกว่าน บ, บิยูนุสเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดในศตวรรษที่แดก่อนคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชนี้ก็2 0 0พบปีแล้วใช่ไหมแปดรปีก็2 0 0พันกว่าปีละ ก่อนคิดสกสารแปดร้อยปีก่อนเท่านบิวีซาจะเกิดนะมีเมืองประชากรหนึ่งแสนนะ่ะคือถ้ามีเมืองในปัจจุบันนะ่ะนะประชากรหนึ่งแสนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เมืองเล็กแล้วนะใช่ปะ่ะเพราะสี่จังหวัดที่สั่ง อ, อพยพในสี่แสนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทสี่จังหวัดในที่สั่ง อ, อพยพเนี่ยเมื่อวานะ สี่แสนกว่าคนเนอนี่เมืองเดียวนะหนึ่งแสนคนโอ้ใหญ่นะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่าเมืองหลวงของอาณาจักรอาชูร์เนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งโลกซึ่งอิรักนี่เนื่องจากว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็มีอาณาจักรมากมายที่เกิดขึ้นเพราะเป็น เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีสองแม่น้าและมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นจุดศูนย์กลางของบรรดาทวีต ท, ทั้งหลายเอเชียยุโรปอะแอฟริกาหมดนี่อยู่ตรงกลางนู่นนะอยู่ตรงกลางเลยทำให้อิรักเนี่ยพื้นที่ของอิรักเนี่ย ก็เป็นพื้นที่ที่มีเมืองหลวงของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์นีนาว่านี่ก็เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอาซูซึ่งเป็นอนาณาจักรที่มีความเจริญมากที่สุดในโลกตอนนั้นจึงได้ฉายาว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโลกเชกเชินที่บักแดดบัคแดดบัคแดดเมืองหลวงของอาณาจักรอาบบาซียนี่ตอนนั้นนะเขาก็เรียกกันเป็นเมืองหลวงของโลก บางแดดนี่มีนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งได้เขียนประวัติศาสตร์ของความเจริญในโลกอาหรับก่อนโลกตะวันตกจะมีความเจริญในสิ่งหนังสือนี้เนี่ยได้บอกถึงบุญคุณของอรารยธรรมอิสลามต่ออรารยธรรมตะวันตก เขาตั้งชื่อหนังสือนี่แสงประทีปของอารยธรรมอิสลามสู้อารยธรรมตะวันตกไม่มีโรงพิมพ์ยอมยอมพิมพ์หนังสือให้เขาทั้งนั้นเป็นเป็นเป็นไม่ใช่เป็นมุสลิมนะเป็ น, เ ป, นเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักคิดแล้วผมเคยได้ยินเขาเขาได้รับรางวัลของกษัตริย์ไฟซ้อนนะแล้วก็มารับรางวัลด้วยตัวเอง ปลาัสเป็นภาษาพูดภาษาอารับดีกว่าอารับดีกว่าคนอารับเช่นคนเยอรมันแสดงว่าเขาซึ้งมากนะซึ้งมากแล้วแม่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ระวิสลามนะหนังสือเขาเนี่ไม่มีใครยอมพิมพ์เขาก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อแสงประทีปของอารับเออมันเกี่ยวกับเชื้อชาติไม่เกี่ยวกับศาสนาแสงประทีปของอารับแดร์อารยธรรมตะวันตกเขาก็ยอมพิมพ์ให้ไอหนังสือน ed ed ี ab, ้เน e yeah ี่ยบอกว่า <os> ตอนที่ปรฏิทันตะวันตกทั้งหลายเนี่ยมีความเชื่อคริสต์มีความเชื่อว่ายิ่งอาบน้ำยิ่งอาบน้ําน้อยลงยิ่งมีผลบุญมากขึ้นทําให้บรรดาบาทหลวงนี่แข่งขันกันในการใครอยู่ยาวนานไม่อาบน้ํามากที่สุดประกวดกันใครใครจะไม่อาบน้ํานานที่สุด เขาบอกว่าในขณะที่อาร์เรสตันโตตุล ม, มีความคิดแบบนี้นะในเมืองบบกแดดเนี่ยมีเสาหน้าหนึ่งพแห่งลองไปถามดิกระทรวงท่องเที่ยวบ้านเราเนี่สาหน้าบ้านเราเนี่ยมีมันก็มียอะนะสาหน้าเมืองไทยก็มีเยอะอยู่แล้วนะแต่พันแห่งนี่เมื่อพันหปีนะไม่ธรรมดาเสาหน้าไม่เหมือนปัจจุบันนะว่าเสาหน้านี่เป็น เป็นที่อาบน้ําที่มีน้ําร้อนน้ําเย็นแยกหญิงแยกชายเซาวนาแบบเซาวนาแบบมีบริการทุกอย่างเลยรวมถึงบริการหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่จักรรัฐเนี่ยที่จะคอยดูความเรียบร้อยด้านหลักการฮกากเฮกแยกหญิงแยกชายชัดเจนไม่มีอะไรเลยเถอะแต่ก่อนนัมันจนมันจะเป็นมันจะเป็นตําแหน่งเขาเรีอยกอัลมุฮตะสิบอัลมุฮตะสิบนี้เขารู้เลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ย เจ้าน ท, ที่ตรวจสอบเรื่องความถูกต้องหลักการศาสนาตรเวนไปตามตลาดตามห้างดูเครื่องช่างน้ำหนักตาช่างมันเรียบร้อยไม่เรียบร้อยให้ขายของเน่าของดีของค้างแรมของดิบของสุก ข, ของหน้าที่ของอัลมูฮดีสิมีตั้งแต่สมัยสุฮาบานะปัจจุบันเรียกว่ า, วาที่ว่าที่ตลาดว่าที่ห้าง ไม่ใชว่าที่ผูว่าพูว่าห้างพูว่าตลาดหรือหรือพอออะไรพวกเนี้พอตลาดแต่ก่อนนู้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ห้างม่ใช่ตลาดนัดเล็กเลยาตลาดนี้ก็คือตลาดเมืองเลยคืออะไรใครใครใครใครแบงค์ชาติอย่างเงี้ยทุกอย่างนี่มันก็จะมากระจุกอยู่ที่ตลาดนี้ก็คือกําหนดทุกเรื่องเลยขายทองขายอะคำว่าตลาดนี่บ้านเราในภาษาไทยตลาดนี่ก็ ขายของสดด้วยใช่ไหมตลาดแต่ถ้ามีแอร์นี่ก็เป็นห้ามหน่อยนะเออไม่ใช่ซารับมีซสุขสกนี่ใช้ได้หมดเลย <c oughs> นีนะวานี่ก็เป็นเมืองเจริญเหมาะกับการที่เจริญที่สุดในประวัติศาสตร์นะเหมาะกับการที่อัลละฮ์เอามาระบูในคุราน ในอายะนี้ที่อายะ98ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงกลุ่มชนของท่านนาบียูนุสที่เขาปฏิเสธศรัทธาแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ความสำคัญของเมืองนี้นี่มีเรื่องของพี่น้องคงได้ยินสวนลอยบาบิโลน เป็นมหาสจรรัลโลกเจ็ดมหาสจรรันะหนึ่งในนั้นนะนะก็มีบิรมิดแล้วก็มีเนี้ยซึ่งอันนี้ตัวอย่างที่เขาที่เขาจำลองอะนะว่าเป็นแห่งแรกในโลกในประวัติศาสตร์ที่มีการทำเกษตรทำเกษตรหลายชั้น ไม่ใช่ธรธ ร, ธรมชาตินี่ก็จะมีทําเกษตรตามเขาภูเขานี่แต่ปรับเป็นชั้นๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือก่อสร้างเลยและไม่ใช่เล็กๆนะเป็นเป็นเป็น เ, นเมืองอ่ะเป็นวังใหญ่มากและทําการเกษตรซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสวนเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะสวนลอยของบาบิลูลเนี่ยมันอยู่ที่บาบิลูล แต่มีนักวิจัยมีนักวิจัยจากอกอกซฟ์เมื่อ20ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยได้พบโบราณวัตถุที่เมืองนีนวาเนี่ยที่อิรักกันนะซึ่งมันอยู่เหนือกว่าเมืองบาบิลอนนะหลายสิบกิโลทีเดียวเป็นหลักฐานว่า สวนลอยนี่นะแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่นีนวาไม่ใช่บาบิลนซึ่งเป็นเมืองหลวงของของอาณาจักรอาชูร์ที่มาก่อนอนาณาจักรบาบิลอนและบาบิลอนนี่มาที่หลังเนี่ยมามายึดอาณาจักรอาชูร์และไปยึดเมืองนีนวาวาพอไปยึดเมืองนีนวานี่ก็คงยึด สวนสวนรอยนี่แล้วก็มาอ้างว่าเป็นของตัวเองแต่พอกลัวเขาบอกว่าจัดหลักฐานนี่มันไม่น่าจะใช่ของอันน่าจะบาบิลจนจึงเห็นนะครับว่าในประวัติศาสตร์นี่เราไม่ควรที่จะปักเชื่อทุกอย่างว่าว่ามันมันจริง แ, แม้กระทั่งบิามิดนะที่มีทศนะสอนกันทุกวันนี้เนี่ย ในตำราประวัติศาสตร์ว่าเป็นสุสานของผู้นําอีบตอนนี้มีนักประวัติศาสตร์แล้วแต่นักบิทยาศาสตร์หลายคนหลายคนหลายสิบคนเขาไม่เชื่อว่าเป็นเป็นสุสานเขาไม่เชื่อว่าเป็นสุสานเขาบอกว่า บีรมิดเนี่ยในในประเทศอียิปต์นี่มีเยอะสุดานก็มีนะแต่เป็นบีรมิดเล็กๆเนี่ยพอได้พอที่จะนึกภาพได้ว่าเป็นสุสานแต่บีรมิดใหญ่ๆซึ่งมีอยู่ที่อียิปต์อย่างเดียวนะเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าชาวอียิปต์นี่จะสร้างอาคารใหญ่โตแบบนี้สร้างเป็นยี่สิบปีนะเพื่อจะได้ฝังกรษริย์ของเขา แล้วกษัตริย์นี่จะมีความแม่นยําขนาดนั้นนะ่ะที่จะกะเวลานี่สร้างเสร็จแล้วหนูกูตายพอดีนยะี่สิบปีนี่สร้างเบรอมิดนี่เนี่ยเสร็จแล้วนี่ป๊ดเลยนะตายพอดีเลยเอาเอาบอกไปบ้างผมไม่ใช่มันเป็นอาคารที่เขาสร้างไว้เรื่องอื่นนะ่ะมีที่ที่บอกว่าสร้างไว้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า ดูถอธิบายนี่มันยาวนะเอ า, าเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องอื่นในะมัชยสุสานแล้วพอพวกฟาโรนมาที่หลังนี่นะมายึดอาคารนี้เนี่ยแล้วก็มาอ้างหัวเป็นผลงานของเขาซึ่งไม่ใช่ผลงานของเขาเป็นผลงานของกษัตริย์ที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีไฮเทคของเขาพอทัศนานี้เนี่ยเขาบอกว่า เบียร์มิดเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า1 3 0่0าันปีไม่ใช่เจ็ด0 0ปีหรือ 5,000 ปีนี่เป็นหลักฐานอย่างนึงนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่เขาไปอ่านกันมาหรือไปไปสะสมกันมาเนี่ยมันไมไ่น่าเชื่อถือมากนะทำไมต้องพูดทำไมถองพูดแบบนี้เพราะจะมีคนที่จะชอบอ่านกุรอ่านอ่านเนื้อหาในกุรอ่านนี่แล้วก็ไหนอย่ในหลักฐานในประวัติศาสตร์นี่ไม่เห็นมีเลย ถึงขนาดที่อาหรับอุสลิมเคยพูดแบบนี้ตอฮาฮุไซนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศาธิการประเทศอีปปยิปต์ไปสิบปีแล้วเขาเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยถึงขนาดที่อุลมาอาซัดเนี่ยได้หาว่าเขาในี่ตกศาสนาด้วยเล่ี้ครบ มีอยู่จำนวนหนึ่งที่แรงที่สุดที่เขาพูดบอกว่าถึงกุรานจะพูดถึงท่านนาบีอิบราฮิมมะเลยฮิสซลามในหลายสุราทีเดียวต่อเฮาเซนนี่เคยท่องจํำคุรานทั้งเล่มนะและหลังจากนั้นเรียนที่อัษฎาเนี่ยแล้วไปสอบไปสอบเปบ็นอัตรีนี่ต่อก่อนนั่งเป็นอัตรีนี่คือเป็นอุลามาเลยอะ่ะไปสอบนี่ไม่ผ่านพอไม่ผ่านนี่ แกก็หมูหอสซัชเนี่ยก็ออกไปเรียนมหาและมหาวิทยาลัยสามัญน่ะนะแล้วก็ไปได้ทุนไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสกลับมามีเมียฝรั่งเศสและกลายเป็นปฏิปักษ์เป็นคนที่มีตําหนิตาหนิประวัติศาสตร์ของอิสลามแล้วก็พยายามที่จะแฉเขียนหนังสือเล่มนึงพูดว่า ถึงแม้ว่าในคุตอานี้จะพูดถึงนบีอิบรอฮีมหลายสุรแต่ในประวัติศาสตร์นี่ไม่มีหลักฐานร่องรอยเลยแมย้แต่น้อยว่าชีวิตเนี้ยชีวิตท่านนา บ, บีมีจริงไม่มีหลักฐานแล้วก็ตำรับตำราหรือวัตถุโบราณเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานได้ไงในเมื่อมันมีหลักฐานชัดเจนว่าในวัตถุโบราณต่างๆเนี่ยนเะขาบอกว่าแม้กระทั่งใน แผ่นจารึกของพวกฟาโรน่ะนะนักปวัปัจจุบันเนี่ยพอเขาไปตรวจอย่างละเอียดเนี่ยปรากฏว่าบางแผ่นจารึกเนี่ยมันถูกลบมันถูกลบนี่หมายถึงว่าถูกสลักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มามาสลักประวัติของตัวเองของกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ลบประวัติของกษัตริย์ในอดีตเขาเขาปิดเบือนกันขนาดนั้น คือถ้าถ้าระดับคอมมันนะดีลีทแล้วก็พิมพ์ใหม่นี่มันก็พอนึกลบแปบ๊บแป๊บหนึ่งแล้วก็พิมพ์ใหม่นี่ก็เออมันก็นึกออกแต่นี่มันดีลิทบนแผ่นจารึกเลยแล้วมันสลักมาบิดเบือนหมดยังทํากันได้แล้วจะเอาโบราณวัตถุเนี่ยมาตีความกุฎอ่านว่านี่เงินละกฐา น, าน ต, ตัวเองกุฎอ่านไม่มีเนี่ยเชื่อไหมเชื่อได้ไง เราชื่อกุรานมากกว่าสิอย่างแน่นอนนบีอูนุสก็เหมือนกันถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์นี่นะก็ไม่มีตำราใดๆที่จะระบุเรื่องนี้อย่างชัดเจนเราก็บอกวไม่จำเป็นพะแม้กระทั่งนบียูซุปนี่ก็ถูกระบุในกุรานในเตาร์ร์แต่ในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เนี่ยเขาบอกว่า แทบแทบไม่มีพูดถึงแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้พบกษัตริย์คนหนึ่งในประเทศอียิปต์เนี่ยที่มีลักษณะคล้ายค ข, ของท่านนาบียูสุและในกุรานได้พูดถึงผู้ช่วยราฐมนตรีผู้ช่วยฟิราอูเนี่ยชื่อฮามานจำไหมชื่อฮามานแล้วก็มีคนมาโจมตี โดยเฉพาะพวกยิวอะนะพวกยิวบางคนกูอ่านเออกูอานเนี่ยไม่ใช่แล้วฮามานเนี่ยเป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยของกษัตริย์บาบิลอนเพราะในเตราร้อนนี่พูดไว้อย่างนั้นว่ากษัตริย์บาบิลอนที่ไปไปตีเมืองของเยรูซาลิมของยิวนี่นะชื่น บ, บูคัสนัสซ์แล้วก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีคนชื่อฮามาน ยูนี่ก็เชื่อเนี่ยเตาร้อนนี่ถูกต้องแต่กุรอ่านนี่ไม่ใช่จนกระทั่งในยุคปัจจุบันเมื่อเพียงประมาณเจ็ดสิบปีสามารถอ่านภาษาเฮโรกลิฟิกของอียิปต์โบราณอะนะและสามารถพิสูจน์ได้ว่าฟาโรนี่ตะกอนนู้นนะ่ะเขามีผู้ช่วยรัฐมนตรีจริงและชื่อฮามานด้วย ซึ่งเรื the ่องนี้เพิ่งเพบเนี่ยไม่ไม่กี่สิบปีเนี่ยแต่การนี้ปฏิเสธว่ากุรอานเนี่ยไม่ใช่คือมันเป็นข้อขอรหาอัลลอฮ์สุภาห์นัวจาและได้ตอบโต้ไว้แล้วในกุรอานที่เขาตั้งข้อหากับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลและสัลลัมว่านบีมุฮัมมัดนี่ลอกประวัติศาสตร์จากคำพีเดิมมาก็คือต่อร่านจีล و ่า ل أساطير الأولينك تتابها เขาเล่าว่ามุฮัมมัดนี่นะได้เอาเรื่องราวของคนนูมาอีกเตต่บฮามาลอกเอาคือถ้าลอกนี่ก็ลอกของผิดด้วยไงฮามานเป็นผู้ช่วยของกรรษัตริย์บาบิลอนแต่พระโคโไม่ใช่น บ, บีไม่ได้พูดแบบนั้นแสด ง, งว่าคุรานนี่นะจะเป็นมาตรฐานของสิ่งที่มันถูกบิดเบือนในคัมภีรุ่นก่อนด้วยซ้าไปแล้วเราอาจจะต้องรออีก อีกกี่สิบปีไหมจะได้พิสูจน์มีวัตถุโบราณหรือหนังสือประวัติศาสตร์ชัดเจนมายืนยันในเรื่องราวของท่านน บ, บียูนุสไหมเป็นไปได้แต่สําหรับผู้ศรัทธานี่มีความเชื่ออยู่แล้วว่าท่านน บ, บียูนุสนี่เป็นน บ, บีจริงที่เกิดขึ้นจริงข้อแตกต่างระหว่างกุรอานกับเตารอว่นี่ว่าเตารอถือว่ า, า, วา น, าน บ, บียูนุสหรือยูนานหรือโยนานนี่เป็นน บ, บี ทเล็กๆอ่ะมานบีเล็กๆมาชี้นบีดังๆอ่ะนบีไม่ไม่เคยมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงแต่สําหรับอิสลามนี่ถือว่านบียูนุสมีความสําคัญถึงแม้ว่าอุลามาได้ขัดแย้งกันตกลงว่านบียูนุสเนี่ยเป็นนบีอย่างเดียวหรือเป็นระซูลด้วยเรารู้ข้อแตกต่างระหว่างนบีกับระซูลใช่ไหมเคนเรียนแล้วเรียนยังข้อแตกต่างระหว่างนบีและระซูล เขาพูดแล้วข้อแตกต่างระหว่างนบีและรสูลนบีนี่นะอัลล์ให้มามาเทศนาเอ้ยศรัทธาต่ออัลลอ์นะอย่าท้อย่าชีกนะ้ะรายละเอียดของข้อปฏิบัติแต่ละมาจอย่างไงอะไรเงี้ยอันนี้อ้างถึงรัสูลคนก่อนแต่รัสูลนี่ไม่นะรสูลนี่จะมีบทบัญญัติเฉพาะของเขานบีนี่มีอยู่แสนกว่าท่าน รั و و ن ن ้วูลมีอยูสามร้อยกว่าท่านตามหะดีซมีจากท่านนบีสุลตัลลอฮ์อะลัยซอนอัลลอฮ์เวลาเขาขัดแย้งกันว่าท่านนบียูนัสเนี่ยเป็นนบีอย่างเดียวหรือเป็นรั้วูลด้วยแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ว่านบียูนัสเนี่ยไม่ใช่นบีธรรมดาไม่ใช่นบีเล็กเลกตัวเล็กๆไม่ใช่เป็นนบีที่มีชื่อเสียงเป็นนบีที่มีความสําคัญถึงขนาดที่ ท่านนบีมฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมละานได้ตั้งชื่อส و ر สรหนึ่งและส ورة ยูนุสทั้นั้งดีมีเพียงอันเดียวและถึงขนาดที่ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัมตอนไปดาว่าที่เมืองตออฟและถูกขับไล่ผู้นาเมืองตออฟนี่สั่งให เด็กๆพวกนักเลงพวกเด็กเกเรนี่นะอาจับก้อนหินแล้วก็ไปไล่ไล่มหมมดคว่างหินท่านนาบีมหมมดเนี่ก็เลยหนีออกไปจากเมืองตัอิฟแล้วก็ไปพักพอนนอกเมืองมีมีนามีสวนนอกแล้วท่านนาบีก็ไปนอนพักผอนก็มีทาสคนหนึ่งเอาผลไม้มาให้ท่านนาบีกิน และปลอบใจท่านนบีท่านนบีก็ถามว่าเป็นคนที่ไหนเขาบอกว่าเป็นผมเนี่ยเป็นเป็นทาสมาทำงานที่เนี่ยที่ตออิบเนี่ยแต่ทินของข้าพเจ้านี่จากนีโนาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมก็เลยบอกว่าบลัดูนบีลาฮิยูนุสอัลรัจูลุสลิ ح อ๋เป็นเมืองของน บ, บิูนุสบุรุษคนดีของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นน บ, บีของอัลลอฮ์ชายคนนี้ก็เลยบอกกับท่านน บ, บีอ้างแล้วท่านรู้ยังไงไงว่าเป็นน บ, บีพอคนนี้เป็นคนคริสต์เป็นคริสต์แล้วก็ท่านรู้ยังไงเขาเป็นน บ, บีเขาบอกว่าอ้าเป็นพี่น้องของข้าพเจา้าเพราะข้าพเจ้าก็เป็นน บ, บีชายคนนี้เนี่ยก็ ก้มไปกอดท่านนาบีสุลลัลอัลเลมบางรายงานบอกว่ารับอิสลามแต่ในประศาสตรนี้ไม่มีใครบอกว่าชายคนนี้เนี่ยรับอิสลามแล้วไปอยูย่ไหนแล้วก็ทําอะไรที่หลังนั้นไม่มีไม่มีท่านนาบีเคยมีคนที่รักท่านนาบีมากถึงขนาดที่เรื่องของท่านนาบียูนุสเนี่ยมถูกระบุในคุรานนะเขาอย่างไงก็ตามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประเสริฐกว่าท่านนบียูนุสพอท่านนบีมุฮัมมัดได้ยินคนที่พูดแบบนี้เนี่ยก็เลยพูดบอกว่ามันฟดละเนียลายูนุสบินมัตเตก ف ก د كذب ผู้ใดที่ถือว่าข้าพเจ้าประเสริฐกว่าท่านนบียูนุสบินมัตตาเนี่นะเขาเหล่านั้นน่ะโกหกพูดเท็จพูดไม่จริงเพียงปฏิเสธการเปรียบเทียบว่า น บ, บีมุฮัมมัดประเสริกว่า น, นี้แสดงว่าท่านเดนอยูนสุสไม่ใช่น บ, บีธรรมดาแล้วสิไม่ใช่น บ, บีตัวเล็กนะเหมือนที่อยู่หัวอ้างและนี่คือข้อแตกต่างว่าถ้าเขาบอกว่าน บ, บีมุฮัมมัดนี่ลอกข้อมูลมาจากเตรารอนี่นะอกักไมต้องมายกย่องน บ, บียูนสุสละ่ะ ก, ก็ต้องทาเหมือนก็ต้องพูดเหมือนเตารอสิว่าน บ, บียูนสุสน บ, บีธรรมดาแต่ในสุนะนะท่านน บ, บีลละแล ได้พูดถึงสถานที่ของท่านนบียูนุสและเป็นนบีที่มีความสําคัญที่ห้ามเอามามเปรียบเทียบกับฉันไม่นะและถึงขนาดที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดถึงการกระทำที่ดีที่สุดและคําพูดที่ดีที่สุดการกระทําที่ดีที่สุดเช่นการถือสิ้นอดที่ดีที่สุด เป็นการถือสินของท่านนบีใครดาวุฒสินวันเว้นวันและท่านนบีดาวุฒเป็นคนธรรมดาไมท่านนบีดาวุฒเป็นระซูลมีคาพีสะบูรและคาพูริดูอาที่ประเสริฐที่สุดดูอาของท่านนบียูนุสล่อิลล่าอิลลัอันตะสุบฮานะกะอินนีคุณตมนอัีมเป็นดูอาธรรมดาธรรมดา คนธรรมดาธรรมดานะนบีจะไม่เอามายกย่เพราะในบรรดาการกระทําหรือคําพูดของบรรดานบีรุ่นก่อนจะมีเฉพาะบรรดาพิเศษวิเศษเท่านั้นน่ะที่ประชาชาติอิสลามนะจะเอาการกระทําและคําพูดของเขาเนี่ยมาเป็นมาเป็นข้อบัญญัติมาเป็นข้อปฏิบัติด้วยข้อแนะนําและการยอมรับจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรเหมือนดูานี่ ดูอาของท่านนบียูนุสท่าอัลลอฮ์ไม่ไดเอามาเล่าในกุตัานะท่านนบีไม่ได้บอกว่าเป็นดูอาที่ประเสริฐที่สุดมีสำนวนฮะดีสบทหนึ่งไม่มีใครดูอาขอเหมือนดูอาท่านนบียูนุสแต่อัลลอฮ์นี่จะตอบรับดูอาของเขาทัศนาบางทัศนานี่บอกว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะใช้ขอต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบรับอย่างแน่นอนอิสมุลลอฮิอาอัลละมก็คือดูอาของท่านนบียูนุส โรมิะอิลาห์อิลลาอัลลอฮุบฮานะกออีนนีคุณตุมินอสซาลิมีท ن ن ون ون ok wen, ่านนบีอุนซ์ข้อมูลพอที่มีนะก็เป็นนบีที่เกิดที่ปาเลสไตน์จากเตารอไม่มีข้อมูลอื่นที่จะมาหักหลังยกเว้นข้อมูลนประวัติศาสตร์ปัจจุบันคน เขาบอกว่ายูนุสในภาษาระไรก็ยูนัสในภาษาสุริยานีลคริสเรื่องวายนาภาษาฮีบรูเรื่องวายอนาในระสัทคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตุรกีนะ เขาบอกว่ามันมีข้อสงสัยอย่างหนึง่งเรือที่ท่า น, นบิวโนสนี่ยไปไปนั่งเรือนี่นะมันเป็นไม่ใช่เรือใหญ่มันไม่ใช่เรือลําใหญ่ที่สามารถวิ่งบนท้องทะเลใหญ่หรือมหาสมุทรทำไมอ่ะเพราะพราะมันเจอขึ้นใหญ่นิดหนึง่งพายุนิดหนึง่งเขาก็เลยต้องจับฉลากให้ ให้ต้องมีคนหนึ่งลงจากเรือเอ๊ะเรือใหญ่นี่คนเดียวนี่ไม่มีผลหรอกลงหรือไม่ลงนะอะไรอ่ะจับฉลากอะไรอ่ะอผมยังไม่ได้เล่าอยยังไม่ได้เล่าเรื่องราวของท่านเ บ, บียูนุสอัลลอฮบอกให้เขาไปเทศนาใช่ไหมเทศนาที่เมืองเนนาวานีนาวานีนเมืองใหญ่ ท่านน บ, บียูนุสก็เลยไปดาว่าที่เมืองนิเนวานี่ว่าอย่าไปทําชีริกนะให้ไปบาดเจ็ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะเขาก็ดื้อดึงไม่ยอมปฏิบัติตามคําเรียกร้องของท่านน บ, บียูนุสนบียูนุสก็เลยบอกเขาว่าอัลลอฮ์เตือนหน้าว่าถ้าพวกเจ้านี่ไม่ศรัทธานี่เตือนสามวันอัลลอฮ์จะลงโทษ แตยูนสก็อยู่นี่นะว่านี่ถ้าไม่ศรัทธานี่นะสามวันนี่อัลลอฮ์จะลงโทษเขาก็ไม่ศรัทธาแต่ลึกๆเขาเนี่เหมือนเขาเขาป่วเหมือนกันนะเขาก็ส่งคนไปสอดแนมบอกว่าเช้าตรู่วันที่สามนี่นะให้ไปดูยูนุสถ้ายูนุสเนี่ยหนีรีบหนีนะแสดงว่ามี บทลงโทษแน่นอนพอเช้าปลูวันที่สามนี่คนนี้ไปสอนแนมนี่ก็เจอทานายบิวโนสีกำลังซ่อนตัวกำลังหนีหนีหนอาสาการลงโทษเนี่ยก็รีบไปบอกกลุ่มชนของเขาพอเขารู้แล้วว่าการลงโทษนี่ต้องมีแน่นอนก็เลยประกาศเตาบัดตัวแต่ตอนนั้นทนบิวโนสีออกไปแล้ว และอัลลอฮ์แจ้งกับท่านเน บ, บิยุนุสว่ากลับไปได้แล้วเพราะกลุ่มชนนี่เขาสำนึกเขาจะศรัทธาแล้วกลับไปซะแต่ท่านเน บ, บิยุนุสด้วยความโมโห ว, ว่าถูกปฏิเสธศรัทธาและเขาเตือนว่าถ้าไม่ศรัทธาจะถูกลงโทษอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนใจและอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาก็บอกว่า เดี๋ยวกลับไปเนี่ยอาจจะโดนอาจจะโดนข้อหาว่าโกหกนี่เไงเราไม่ลงโทษเพราะเขาศรัทธาไงเขาก็เลยกลัวจะโดนข้อหานี้สแสดงความไม่พอใจโมโหเนี่ยแล้วก็หนีจากคาบัญชาของเราที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยเล่เาในกุรอานอิดะฮะบะมูกับดิบัเขาโมโหกลุ่มชนของเขาด่าบาไปไม่ไม่กลับ Allah ก็เลยลงโทษท่านน บ, บิยูนุสพอหนีไปนี่บางรายงานนี่ที่เขาบอกว่าน่าจะหนีไปทางเมืองเกิดของเขาไงถ้าเขาไปจากถ้าสมมติว่าเขาไปจากอิรักนี่นะนี่ถ้าเขอยู่อิรักกันนะถ้าเขาจะไปจากอิรักนี่ก็อาจจะเดินทางเนี้ยแล้วก็จะมาลงแถวเนี้ย พอตะก่อนนู้ในะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเจริญแถวกาซ่าเนี่ยแล้วก็นั่งเรือนั่งเรือจากตรงนีน้ไปเมืองยาฟาจะใกล้จะใกล้ระหว่างเมืองของเขาที่อยู่ระหว่างยูราสลิมกับอัลคาลีเนี่ยซึ่งถ้าเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นทะเลกว้างขวางพอที่จะมีเรือใหญ่ บรรทุกคนนับสิบคนนับร้อยคนก็ได้แต่นี่เรือนี่ในราย ง, งานนี่บอกว่าพอท่านในบิยูนุสเนี่ยลงเรือแล้วเนี่ยเกิดพายุเขาทำทุกวิธีทางนี่ไม่ได้ผลกับตันในเรือนี่บอกว่าพายุนี่ไม่ธรรมดาต้องเป็นบทลงโทษสำหรับคนทำบาปบนเรือนี้ เราต้องจับฉลากไอ้คนที่ทำบาปนี่นะต้องทิ้งลงจับฉลา ก, กันสามครั้งทุกครั้งนี่นะฉลากก็ขึ้นกับท่านน บ, บีอูนุสครั้งแรกเขาถามครั้งนะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นสแสดงว่าใช่เลยนี่คือคนที่ทำบาปพอทิ้งน บ, บีอูนุสไปแล้วเนี่ยพายุกันนิ่งซึ่งเป็นบทลงโทษแน่นอนกับท่านน บ, บีูนุส พอทิ้งไปในทะเลนะก็มีปลาตัวใหญ่เนี่ยได้กินกลืนท่านบับดยูนุสไปอยู่ในทอ้องย้อนกลับไปดูนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าเขาสงสัยว่าเรืออะไรลำเล็กที่จะมีคนเดียวที่จะเป็นปัญหาต้องทิ้งไปน่าจะเป็นไม่ใช่เรือที่มันมันวิ่งในทะเลใหญ่หรือในมหาสมุทร มันต้องเป็นเรือคล้ายๆเรือที่วิ่งวิ่งแม่น้ำเป็นเรือลำเล็กๆสันนิฐานของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรือที่วิ่งระหว่างเกาะระหว่างเกาะและจะต้องเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ะทะเลใหญ่พอเขาทิ้งท่านในบิยูนุสแล้วอะนะท่านในบิยูนุสเนี่ก็ลอยไปอยู่ในทะเลใหญ่ไม่ใช่ทะเลเล็กแล้วนะ พอไปอยู่ในเทะเละก็มีปลาตัวใหญ่นี่มากลืนท่านนบีนุสเขาเสนอทีฐานว่าพื้นที่นี้น่าจะอยู่ที่ทะเลอีจา่าทะเลอีจา่าในอยู่ระหว่างตุรกีกับกรีซซึ่งจะมีกลุ่มเกาะเนี่ยเรือที่จะร่องที่จะวิ่งระหว่างเกาะเนี่ยจะไม่เป็นเรือลำใหญ่จะเป็นเรือลำเล็กๆ เ, เรือลำเล็กๆ เ, เนี่ยพอที่จะบรรทุกคนประมาณหลัก หลักสิบหลักไม่ถึงสิก็ได้ลำเลังเลกๆถ้ามีขึ้นใหญ่นี่มันจะอันตรายมากสำหรับเรือลาเลกแบบนี้แต่นี่มันไม่ใช่ข้อสงสัยของเขาอย่างเดียวข้อสงสัยของเขานี่ว่าพื้นที่นี้อะนะพื้นที่ของเมืองเนี่ยของเมืองของของประเทศกรีษนะครีซนี่เขาบอกว่ามันเป็นชื่อที่พวกโรมันเนี่ยตั้งให้ ให้คนในพื้นที่แต่เดิมมาพื้นที่นี้เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่ายูนันและทุกวันนี้นี่นะคนคริสรเนี่ยก็เกรียกว่ายูนันและอาหรับนี่ยเขาก็เรียกประเทศนในอาหรับเขาไม่ได้คริสมันเรานะเรานี่เรียกประเทศนี้เนี่ยกริสตตามฝรังร่งฝรั่งเนี่ยเขาได้สืบท อ, อดอารยธรรมของโรมันโรมันนี่ยเขาเรียกประเทศเนี่ยกรีสแต่ตัวกรีสเองเนี่ยภาษากรีสเองเนี่ยเขาเรียกตัวเองยู น, นัน แล้วกทะเลนี่นะที่ในว่าทะเลอีจานีเนี่ยอีจานีภาษาตุรกีเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เคยอยู न, ่ในอาณาจักรของตุรกีมายาวนาแต่คนครีสเองเนี่ยเขาเรียกทะเลเล็กๆนี่นะที่มีกลุ่มเกาะนี่นะเขาเรียกทะเลนี่ทะเลยูนิสประเทศยุนานแล้วก็ทะเลยูนิสเอนี่มันเกี่ยวอะไรกับยูนิสเกี่กับยุนานชื่อ ชื่อนะบีในไบเบิลหรือเปล่าอันนี้เป็นทัศนะเดียวของนะักปราาะวัติรุ่นหลังนะแล้วเขาอ้างว่ามีหลักฐานบ้างในพื้นที่ของประเทศกรีซีออ น, น, นะพูดถึงบุคคลสำคัญบางทัศนะบอกว่า เ, เ, เป็นกษัตริย์บางทัศนะก็บอกว่าเป็นเป็นคนที่มีความรู้ที่เขายกย่องชื่ออยู่นาะนได้โปรดษา ก็ทัศะนี้ก็รับฟังไปนะแต่ที่มีน้ำหนักมากกว่าแล้วสามารถยืนยันได้ในหลายเรื่องนะครับก็คือนี่เขาบอกว่าท่านบียโนสพอลงไปในทะเลแล้วก็ปลามกลืนท่านบียโนส บางทศนาบอกว่าอยู่ในท้องปลาครึ่งวันบางทัศนาบอกว่าสวันบางทัศนาบอกว่าหนึสัปดาห์บางทัศนาบอกว่าสี่สิบวันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงว่ามีปลาปลาวานตัวหนึ่งเคยกลืนคนในท้องแล้วก็อยู่ได้ประมาณสามวันและรอด และระบุว่าตอนไปอยู่ในท้องปาวานนี่ก็แน่นอนก็ต้องโดนน้ำย่อยของที่อยู่ในในท้องปาวานน่ะนะก็ก็เกิดอักเสบอะไรอักเสบมากมายในกุรานเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าพออัลลอฮ์สั่งให้ปาวานเนี่ยคลายน บ, บิยุนุสออกนะนาบินุสจะกรอดไปอยู่ที่หาดแห่งหนึ่ง อัลลอฮ์ก็ให้ต้นบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าแตงแตงตัวใหญ่ๆนี่ยเขาเรียกแตงลูกใหญ่ๆเนี่ยฮะแตงใหญ่ๆนี่ลูกใหญ่ๆมันคล้ายๆฟักกันนะมันคล้ายๆแตงไทยอะนะแต่มันลูกใหญ่อะภาษาหราเขาเรียกว่ตีนอัลล์บอกในคุรานเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ ต้นไม้ยักตีนนี่นะได้ได้ขึ้นทันทีเลยนะซึ่งต้นนี้นี่นะผลไม้ของมันนี่เนะี่ยไอตัวลูกของมันเนี่ยแล้วก็น้าของลำต้นเนี่ยที่มันไหลออกมานี่นะมันสามารถรักษาอักเสบได้มีความสอดคล้องหลายอย่างนะในถึงของสูรัตนบิยูนสุสเนี่ยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และความเป็นจริงพอท่านนา บ, บิยูนสุสเนี่ย หายจริงแล้วส่วนมากกับนนะักมุฟสตรีเนี่ยเขาบอกว่าท่านเนียบิวนสได้ไปถึงเมืองแต่ไม่ได้เข้าและเจอลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่างงั้นฉันไม่เข้าตัวเองนี่เข้าไปเขาบอกว่าเอานะเขาจะเชื่อยังไงเอผมนี่พบท่านท่านเนียบนุสก็ให้มีหลักฐานแพะตัวหนึ่งพูดได้สามารถยืนยันได้ว่าท่านเนี่ยได้พบ ท่านนาบียูนุสแท่านนาบียูนุสสิกาับสู่มาตุภูมิก็คือที่ปาเลสไตน์แท่านนาบียูนุสสิกาับสู่มาตุภูมิก็คือที่ปาเลสไตน์ทุกวันนี้เนี่ยที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็มีกูโบ อ, อยู่ในเมืองเมืองหนึ่งระหว่างเมืองคอริลกับเมืองยูรมมาซีลมันนะเขาเรียกกันกูโบอของนบียูนุสแต่ในขณะเดียวกันนะ ก็มีที่นีนาวานิเมืองนีนวาปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเมืองอยู่นะมีกูโบที่เขาอ้างว่าเป็นเมืองเป็นกูโบของท่านนับยบูนุสเหมือนกันแต่นักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยเขาเยนิัย น, ยนว่ากูโบที่อยู่ที่อิรักกันนะของนับยบูนุสเนี่ยไม่น่าจะใช่แต่มีที่นีนาวานี่นะมันมีภูเขาลูกหนึ่งภูเขาเล็กๆอ่ะชาวบ้านทุกคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภูเขาแห่งเตาบะ จบรรลุเตาบะเขาบขอกว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยที่กลุ่มชนของนบินุสนี่ออกมาเพื่อประกาศเตาบัดตัวประกาศกับเนื้อกับตัวศรัทธาต่อท่านเนาบินุสและตอบคาเทศนาของของท่านนี่คือเรื่องราวของท่านเนาบิวุสโดยสังเขปมาอ่านดูนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เล่าเที่ยงท่านเนาบนินุสทีแรกเราจะเข้าใจมากขึ้น فَلَوْلَا كَانَتْ ق َ ر ف ف ق ي َ ة ا ل آ ة ا د م د م. ن َ ف َ ع َ أ َ م َ ن َ ت ْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلَّا ق َ و ْ م يُونُسَ لَمَّا م َ ن ُ و ا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ لَنَنْ ما ถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับคนที่อัลล์บัญชาว่าเขาจะต้องถูกลงโทษเนี่ยเขาจะไม่ศรัทธาจนกว่าอัลล์จะอนุมัติถึงแม้ว่าเขาจะมี สัญญาณมากมายที่เขาได้ได้ได้ยินแล้วได้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ศรัทธาถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติดังนั้นดังนั้นนี่หมายถึงว่าจากคดีที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าใครจะศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องอนุมัติก่อนและการอนุมัติของอัลลอฮ์นี่มันก็ผ่านกระบวนการนําเสนอสัจธรรมหลายรอบหลายโอกาสให้เขาได้มีโอกาสทบทวนใครควร แต่ถ้าดื้อดึงหลายรอบแล้วอะนะเราจะประทับหัวใจอย่างที่อธิบายเมื่อสัปดาห์ก่อนดังนั้นจากที่ได้ยืนยันมาแล้วสองสามอายะห์ก่อนนั้นดังนั้นเลาจก็เลยบอกว่าทำไมจึงไม่มีหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งศรัทธาโดยที่การศรัทธาของพวกเขาจะอำนวยประโยชน์แก่พวกเขานอกจากกลุ่มชนของอยูนุส ก็หมายถึงว่าส่วนมากเนี่ยบรรดาผู้ที่ได้รับโอกาสที่จะศรัทธาต่อเทศนาของนบีลอัลลอฮ์ซูลหลายครั้งแล้วเนี่ยส่วนมากนี่เขาไม่ได้ศรัทธาเหมือนที่อัลลอฮ์ได้บอกเขาดื้อดึงกับองค์การของอัลลอฮ์กับโอกาสที่อัลลอฮ์ให้เขาไข่ควรไตรตรองแต่เขาไม่ไตรตรองไม่ใช้สมองแล้ว ah ก็พาดหัวใจของเขาแล้วก็จัดการลงโทษสถานเดียว ยกเว้นกลุ่มชนของยูนสุสกลุ่มชนของยูนุสนี่ยามน บ, บียูนุสนี่ไปเตือนเขาหลายวันนะให้โอกาสเขานะแล้วเขาบอกว่ากลุ่มชนของท่านน บ, บียูนุสเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีอรารยธรรมเอามาจากไหนอะเราบอกในกุรานอี ก, อ, กอีกสุรนหนึ่ง อาร์ลนาห์อีลามิเอติอาลฟินเอวยาซีดูนส่งนบียูนสุสเนี่ยไปยังกลุมชนมีประชากรแสนกว่าคนแสนกว่าคนในยุคนั้นน่แน่นอนต้องเป็นอรารยธรรมแบบสุดยอดแล้วถ้าอารยธรรสุด แ, แรกแสดงว่าเป็นคนที่มีการศึกษาที่คนไม่ธรรมดามีอรารยธรรมมีความเจริญแต่ก็ไม่สัารา ไม่ศรัทธาแล้วนี่สมควรแก่การลงโทษอย่างเด็ดขาดใช่ไหมเหมือนทุกเมืองถูกเสนอแล้วสัจธรรมเสนอแล้วเสนออีกไม่เอาสมควรแก่การลงโทษแล้วทำไมเนาะหลายเมืองนี่ถูกเสนอแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากโอกาสประโยชน์จากการนำเสนอการทศสนาของนบีอูซุ่ไม่ได้ประโยชน์เลยจึงต้องถูกลงโทษยกเว้นกลุ่มชนนบียูนุสเขารีบ กลับเรียกกลับตัวรีบถึงแม้ว่าเขาดื้อไปแล้วระยะหนึ่งดื้อดื้อแล้วดื้ออีกดื้อแล้วดื้ออีกแต่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งตามรายงานของนักประวัติศาสตร์บางท่านนี่นะนักประวัติศาสตร์นี่คือยุคปราดมุสลิมมาอนนะตอนนั้นนะนะมันมีคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์เตาโรหลายเล่มบางเล่มเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ถูกบิดเบือนบางเล่มเนี่ยที่ ในศาสนาละที่ของเขาเนี่ถูกปฏิเสธไปแล้วเอกว่ามาดูอย่างเรื่องเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาส่งให้คนไปสอดแนวเหมือนบียนุสเซนนี่ไ้นี่ไม่มีในเตารอเอาแล้วตับปราดมุสลิมเนี่ยเล่ามาจากไหนอะอาจจะเล่ามาจากเล่มไบเบิ้ลหรือเตารอที่ถูกปฏิเสธไปแล้วว่าเขาไม่เอาแล้วก็ได้เพราะทุกวันนี้ก็มียังมีไบเบิ้ลชื่อไบเบิ้ลบาร์ดาบะเป็นไบเบิ้ลของ ลูกศิ ท, ท่านน บ, บีอีสซาเขียนเองเลยในไบเบิล น, นี่นะในเล่มนี้นี่นะบอกเลยว่าท่านน บ, บีอีสานี่ไม่ใช่พระเจ้าชัดเจนเลยแต่ศา ส, สนาคริสตทุกนิกายเลยนะไม่ยอมรับไบเบิลเล่มนี้บานนาบาดังมากวันนี้เริ่มคริสเตอร์เริ่มเริ่มมาศึกษาไบเบิลเล่มเก่าๆแล้วบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราถูกง ม, มงายมันถกถูก ถูกหลอกลวงเห้เราต้องมาทบทวนใหม่เป็นเมืองที่มีอารยธรรมสูงแต่ก็ปฏิเสธดื้อดึงมันต้องมีอารยธรรมให้เขาเนี่ยปังอะไรปังสักอย่างหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราพลาดวะเฮ้ยเราต้องต้องต้องรีบกับเึ่งกับตัวนบนยูโนสมาไปไหนนับไปแล้วนับยูนุสไปแล้วไม่เอาแล้วพวกคุณเนี่ยดื้อซะเองอ้าท่านนับยูส ถ้าอย่างงั้นแยกเลยลูกใครที่มีลูกลูกตัวเล็กนี่แยกตัวเลยพอถ้าอาสาบลงโทษเนี่ยให้ให้อัลลอฮ์ AH ได้โปรดลงโทษคนแก่ผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่เด็กๆที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเร <Allah S 2> าะได้โปรดใหญ่ลงโทษเขาเลยนี่ น, นี่แสดงว่าเขาสำนึกจริงๆแยกเลยแยกคนเล็กคนโตคนแก่คนคนน้อยนี่แยกเลยแล้วก็แยกสัตว์ด้วยสัตว์เนี่ยไม่ควรที่จะ มาลงโทษลงโทษเฉพาะคนที่ดื้ออย่างพวกเราแต่เราขอประกาศกับเนื่องกับตัวอันนี้เนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําไมซูรยุนุสนี่ถูกเรีย ก, กว่าสุรุตยูนุสนะและเรื่องราวของเทพ น, น บ, บิยุนุสแทบไม่ได้ถูกระบุเรื่องของเน บ, บียูนุสเลยซ้ายําไปแค่ยุนุส แต่ที่พูดถึงมากกว่านะก็คือกลุ่มชนนบิลุสสุร้นี่ให้กำลังใจกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลละลัผู้ศัทธาที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดถูกปฏิเสธกันใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็รการปฏิเสธมีก่อนหน้านี้มีเยอะเลยแล้วอัลล์ก็เล่าเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮมนนบีมูซาท่านหลายนบีที่เราที่ไาไปแล้วนี่ะเป็นการให้กำลังใจท่านนบีมุฮัมมัดและผู้ัธาที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัด ถ้าว่ามันมันแปลกกับตรงนี้นี่นะเป็นการให้กำลังใจผู้ปฏิเสธศรัทธาวะ่ะพวกเองนี่ดือด้อๆไปนี่นะก็ยังมีโอกาสตามใดการลงโทษยังไม่ลงมาทันทีนะยังมีโอกาสนะเหมือนกลุ่มชนนบีออัลลอฮจึงแปลกใจทำไมถึง เมืองหลเมืองในไม่ใช่โอกาสนี้ยกเว้นเมืองของทันน บ, บิยูนุสและ ม, มาอาเมนูเมื่อพวกเขาศรัทธากาชฟนาอันฮูมาดาเบลคีซีเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษอันอพยพจากพวกเขามาแล้วจะลงโทษแล้วลงโทษแล้วอัลลอฮ์เตรียมทุกอย่างให้ลงโทษแล้วนะแต่เขาออกมาเขาบอกว่านี่มีภูเขาลูกหนึ่งเขาก็มาชุมนุมกันรอบๆภูเขานี้ในประกาศเตาบัตรตัว กาชัฟนาได้ปลดเปลื้องยกเลิกเหมือนเป็นบัญชาสุดท้ายที่อัลลอสุบฮานะอูตะลาเลยกเลิกบัญชาเก่าพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะล่วงเกินถามอัลลอฮ์แล้วทำไมแล้วทำไมอัลลอ์เปลี่ยนใจพระผู้ศรัทธาเชื่อว่าอัลลอสุบฮานะอูตะลาเลทรงรู้ อะไรที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนใจแล้วก็อยู่ในอ๋อเจเอ๋เขาเขาเปลี่ยนใจอัลลอฮ์รู้แต่ทุกอย่างที่มันเป็นขั้นตอนแบบนี้เนี่ยเพื่อให้ให้เป็นภาพที่พวกเราเองอะที่สมองของเราไม่สามารถมองอนาคตเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นจริงของพวกเราแต่ถ้าอัลลอฮ์จะเล่าเรื่องตามที่พระองค์รู้นะ อ๋น บ, บียูนสุสนี่กลุ่มชนของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปฏิเสธไปก่อนนะแล้วก็อัลลอฮ์จะเตรียมลงโทษนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะศรัทธานะแล้วอัลลอฮ์จะนี่นี่คือความรู้ที่อัลละฮ์จะไม่แต่อัลลอฮ์นี่เล่าตามความรู้ที่มันควรปรากฏสําหรับสมองของพวกเรานี่ที่มีพาสมีอดีตแล้วก็มีพรีเซนต์มีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตอันนี้ของเราแต่สําหรับอัลลอฮ์ล่ะมีด้วยเหรออ๋อสําหรับ อดีตกับปัจจุบันเนี่ย Allah รู้แต่อนาคตเนี่ย Allah ไม่รู้ไม่ใช่อ a l l a านี่รู้หมดรู้กลุ่มชนของนยบิยูนุสียอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขารู้แน่นอนเหลือเชื่อนะแม้กระทั่งคนที่ดื้อครั้งแล้วครั้งอีกพออ่านสุรานี้นี่นะเขาจะได้ประโยชน์สําหรับคนที่ดื้อ น, นะคนนี่ยังไม่ตัดสินใจเตาบัตรตัวนี่บอกว่าเฮ้ยนี่หมายรวมว่า กูหนีดื้อขนาดนี้เนี่ยถ้ายังพระเจ้ายังไม่ลงโทษฉันนี่ฉันยังมีโอกาสใช่ไหมใช่มันจะมีกําลังใจอะไรมากกว่านี้สําหรับการเปิดประตูแห่งเตาบะถ้าระดับกลุ่มชนระดับประชาชาติเนี่ยถ้ายังไม่ถูกลงโทษนะประชาชาติได้ยังไม่ถูกลงโทษนะประชาชาตินั้นน่ะอเล่ ย, Allah ยังเปิดโอกาสให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัว ทั้งประชาชาิทั้งประชาชนแต่โดยรายบุคคลโดยรายบุคคลนะแต่ละคนนี่นะมีเรื่องเดียวที่จะปิดประตูแห่งการกับเนื้อกับตัวก็คือความตายความตายของรายบุคคลนั้นๆนั่นนะชีวิตของท่านชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพตีน่นอนติดเตียงอยู่ห้องไอซสาย อาราสารพัดนี่มันต่ออวัยวะของตัวเองตัวยังมีสติอยู่นะกับตัวเองนี่มีสติอยู่แต่คนข้างนอกอะนะคุยไม่ได้แล้วทำไมมันชาหมดแล้วเขาถามเขาคุยกับเราเนี่ยเราก็เราอยากจ ะ, ะอะไรอะไรเราเขาฟังะอะไรอะไรเราไม่ได้แต่เรารู้เรื่องเรารู้ตัวยังไม่ตายไงแต่รู้ตัว เฮ้ยชีวิตของฉันนี่แย่ไปไปเยอะมากเลยฉันยังทำอะไรยังทำได้และนี่คือเหตุผลว่าพี่น้องหลายท่านนี่นะที่เคยไม่ใช่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็พอรับอิสลามแล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ ให้รับอิสลามและพ่อแม่นี่ก็คุ้นเคยกับการดาว่ากันเผยแพร่อิสลามกับเขาแต่เนื่องจากเงื่อนไขอะไรหลายอย่างในชีวิตเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะรับอิสลามจนมาถึงวราระสุดท้ายนี่ก่อนตายหลายคนนะในชีวิตเนี่ยที่ผมเจอมีคนมาปรึกษาผมก็ไปคุยกับพ่อแม่ตอนก่อนตายเลยเนี่ยอองหน้าอ่ะมา เลยละฮะอิลลัลลอฮนะรับอิสลามนะมองหน้าเนี่ไม่ซ้ําพูดไม่ได้แล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งพูดไม่ได้แล้วไ ด, ดาลาได้ตาอะไรอ่ะได้แต่ยักหน้ามีคนหนึ่งได้แต่ยักหน้าอีกคนหนึ่งบีบพูดไม่ได้ฮะแต่รู้เรื่องอ่ะฟังอ่ฟังอ่รู้ ร, รู้รู้เนี่ยว่าคนนี้เป็นลูกกําลังดูแลเขาอยู่แต่พูดไม่ได้ ต่บีบมือได้เท่าที่ได้บีบเบาๆด้วยบีบบีบนี่หมายถึงว่าอะไรลรลอเราทอิสลามนะอิสลามนะก็บีบบีบมือเขามาถามว่าไม่กล่าวละอิลาอิลลอชัดแบบนี้ยังถือว่าเป็นมุสลิมไหมบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อ่นะถือว่าเป็นมุสลิมถือเป็นมุสลิมมันพอเป็นหลักฐาน ชี้ชัดได้ว่าเขาเลือกที่จะรับอิสลิมและการที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์มาได้ระบุชัดเจนเลยสําหรับคนไม่คนที่พูดไม่ได้จะให้เขาเกล่าวแล้วอิละฮ์อิลลัลลอฮ์นี่กล่าวยังไงกล่าวไม่ได้แต่ถ้าเขาอ่านปากได้รู้เนะื้อหานี่เชื่อไหมว่าอิละฮะอิลลัลลอฮ์นะถ้าเขาทําอย่างนี้ศสะไหมสะ เช่นเดียวกันคนใบ้ในเวลาแต่งงานนะข้าพเจ้ายกลูกสาวของข้าพเจ้าให้ท่านนีกากับลูกสาวของข้าพเจ้าตามมาให้ตกลงเขาเขาเขาฟังไม่ไม่ได้ยินน่ะแต่ถ้ามีใครพูดภาษาอะไรที่เขียนข้อความแล้วก็เขารู้แล้วเขาตอบว่าข้าพเจ้ายอมรับนีกาตามเขาเขาก็ตอบไม่พูดไม่ได้แต่เขาทํายังไง ซ่าไหมฮะซาสิไอ้คนนี้บอกว่า pues, ต้องนิกาต้องตงตัวหาให้มันชัดมื่อไนี้เขาก็บอกว่าใช่ได้ทำไมอ่ะงั้นระหว่างเรากับอัลลอ์สุบฮานะอูตาลอย่าไปเยอะนะอย่าอย่าเยอะเราอย่าไปเยอะกับคนนะระหว่างเรากับอัลลอ์เนี่อัลอเรื่องเรื่องง่าย ขอให้เจตนาแสดงเจตนาให้ชัดเจตนาให้ชัดท่านนาบีมุฮัมมัดนี่ไปบอกกับลุงอบูตอลิบนี่คำเดียวกุลีกาลีมาตันบอกให้ฉันคำเดียวคำวนี้ก็คืออะไรละไรหรอซึ่งสำหรับอาหรับเยียงอบูตอลิปนี่นะเป็นนักปราสัยเป็นคนที่พูดกรอนเป็นโอ้คนคนเก่งอะพูดเก่งอะ แต่ในมูฮัมหมัดผมกผมขอคําเดียวก็คือละอีละก็ถือว่าเป็นคำเล็กไงคําเดียวข้าพเจ้าจะอุทธรต่อพระเจ้าให้ท่านได้เข้าสวรรค์ได้ละอีละนั่นเนาะสำหรับชาวอาหรับนี่ทั้งหมดนี่กล่าวแค่และอีละใหอิลล allah นี่ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายมากแต่เขารู้ไงว่าคํานี้เนี่ยถึงแม้ว่าพูดง่ายนะแต่ปฏิบัติเนี่ยมันมันหนักสาหัสพอสมควร โดยเฉพาะคนรุ่นก่อนนี่ต้องต่อสู้ต้องปกป้องคำนี้แต่ถ้ากล่าวแล้วล่ะถ้าอับปุตตะรีบในการอ่านแล้วใช่ไหมและนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกกับพี่น้องต่างศาสนกเราต้องเสื่อให้เข้าใจว่าอิสลามนี่ไม่ยาก แต่ปัญหาบ้านเรานี่ว่าการเผยแพร่อิสลามนี่ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกเผยแพร่อิสลามของพระเจ้าของอัลลอฮ์และรอซูลีงเดียวมันมีการเผยแพร่อิสลามที่ปนกับทศนะด้วยจึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้พี่น้องต่างประเหลายคนนี่เข้าใจอิสลามว่าเป็นศาสนานิยาก ศาสนายากปฏิบัติยากมีจะมีหลักฐานอะไรามากกว่าหลักฐานว่ามีปนเรื่องอิสลามของพระเจ้าของนบีนะกับอิสลามของศาสนาบ้านเรานี่คนเข้าอิสลามมาถ้าสามจังหวัดน่นนะเขาไม่ได้กว่าเข้าอิสลามเขาไม่ได้กว่าเข้าอิสลามภาคกัาก็เหมือนกันเขาไม่ได้กว่าเข้าอิสลามก็ได้กลัเข้า นี่ไม่ใช่พี่น้องต่างศาสนาที่มุส ล, ลิมเองูมุสลิมเองพูดเฮ้ยมันต้องเค้าแขกก่อนนะวเค้าแขกอะถ้าสาจังหวะนี่มาโซยาวียาวีอิสลามยาวีละแล้วก็กลายเป็นมาโซยาวีเนี่ยกลายคือจะจะมาโซยาวีเนี่ยเค้าอิสลามแล้วนี่มันก็ยังไม่ซ้อนี่ต้องขตดตันต้อง ต้องคีบก่อนนแะไอ้คีนี่แหละเขาเรด้กับมาัสยยาวีเหมือนกันโอ้โนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยไอ้เ น, นี่ยทัศนะทัศนะไงถึงขนาดที่ารับอิสลามแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ไมคีตานไม่ซ้อนี่ทัศนะอันนี้ไม่ใช่อิสลามใครบอกว่าไม่ซ้อมากกว่านี้นะคนรับอิสลามและยังไม่คีตาน แล้วก็มาล้หมาจะมาฮานี่เชฟถ้าเขายังไม่ยังไม่ขี้ตานแล้วก็มาแลมานี่แล้วหมาของเรานี่มันซ้อมไหมซอฟนี่มันซ้อมไหมเพราะมันซ้อมมันขาดไงเขาเอาไปเปรียบเทียบกับใครเด็กที่ยังไม่ขี้ตานนี่มาล้หมานี่นี่ก็เหมือนกันนะนี่กับทัศนะไม่ใช่อิสลามไม่ใช่หลักขัไม่ใช่หลักฐานไม่ใช่หลักการไม่ใช่โตับทเลยทัศนะแล้วไม่ใช่ทัศนะอุลามารุ่นก่อนอย่างอิมามชีฟีนี่อิมามชีฟีไม่มีแบบนี้เลยอุลามารุ่นหลังอยู่หนูพันกว่าปีแล้ว เชื่อ ด, ดิพอคนจะรับอิสลามมานะ่ะที่เขาคิดเนี่ยที่เขาคิดหนักมากเลยนะเนื่องจากว่ามุสลิมเนี่ยเขาเค่งเรื่องอะไรอเขาจะเค่งเรื่องพวกเนี่ยเคลียเรื่องอากิาน่านี่ยังห้อยอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยพูดถึงกันนะไม่เป็นไรไม่ต้องห้อยอันนี้ก็ได้โดยมีอาซีมัดห้อยใหย้คือแทนที่จะแ <c oughs> ทนที่จะเป็นชีริก อัเอาเป็นชีริกระดับนี่ระดับแข่งไงของเรามีชีริกก็ไม่แอ น, นไม่เป็นไรมีมีชีริกไข่ดา ม, มีด้วยคนก็เครียดเลยเาจะมารับอิสลามอ่ะโอ้ยเรื่อยุ่งยากเว้ยไม่กินหมูนี่พอจะได้ไม่กินเหล้าเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรแต่เคยบวชมาสี่สบวันนี่ไม่กินเหล้านี่พอสู้ได้ ถ้ไอ้ไอ้ขีบนี่มันมันไม่ไม่ไหวว่ะมันไม่ไหวมันเจ็บมันเจ็บไม่ได้นะถ้าไม่ขิบนี่ไม่ซ้อนะถ้าไม่ซ้อก็ไม่เอานี่มีนะเคยได้ยินไหมนักวิชาการบอกว่ามารับเธอไม่ต้องขิบก็ได้มารับเธอเป็นมุสลิมไม่ขีบนี่ถือว่าทำบาปใช่ไหมทำบาปถ้าไม่บิดไม่เป็นมุสลิมเนี่ยทำศีริกนี่มันเสี่ยงกว่า พูดให้ง่ายแต่เชื่อเนอะเกินนอะพอเขารับอิสลามแล้วแล้วก็ศึกษาซึมซับอิมานะน่นนะเดีาคิดเองไม่ต้องบอกว่าเป็นเงื่อนไขต้องคิดนะพราะวันแรกที่รับอิสลามเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเนี <c oughs> <c oughs> อยไปเน้ยยังไม่ทันแต่อันี้เลยนะะสร้างความหวาดกลัวรับไปก่อนคนนี้มารับอิสลามกับท่านนบีนั่นนะช่วงแรกแรกันนะ ก่อนที่นบ no no ีเนี Islam, ่ยจะมีบทบัญญัติ23ปีน่ะมารับอิสลามรุ่นแรกยังไม่ยังไม่รู้เลยโอจะต้องเลิกซินาจะต้องเลิกลายังไม่ยังไม่โผล่ยังไม่บัญญัติยังไม่มีบัญญัตินีงยยังไม่รู้เลยเหมือนกันแต่คนที่มารับอิสลามเหมือนที่กูมารับปัจจุบันน่ะนะเหมือนที่มารับอิสลามกับท่านนบีสมเหมือนเขายังไม่รู้บทบัญญัติเนี่ยแต่ต้องบอกเขาล่วงหน้าบอกว่าดูท่านก็ศึกษาเรื่องบทบัญญัติของอิสลามที่หลังนะแล้วก็ค่อยค่ปฏิบัติได้ให้เขาเข้าใจว่าอิสลาามมนี่่ังย อย่าให้ประชาชนหรือมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยที่เขาไม่รับอิสลามนี่นะไม่รับอิสลามเพราะความเข้าใจผิดเพี้ยนที่เรานําเสนอกับเขามันจะทำให้เราเนี่ยมีส่วนบาปเกี่ยวกับการกีดกันไม่ให้มนุษยชาติเนี่ยได้เห็นว่าอิสลามนี่เป็นศาสนาง่าย ทงังทั้นบีบอกกำชอบเลยว่าอินนัดดีนะอุร์แตะสานานี้ง่ายง่ายจริงนะง่ายจริงเนะี่ยก็หมายถึงว่าคนที่เ้ารู้สึกว่าอิสลามมีจะลำบากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรมากมายี่เราก็บอกว่ามันมันกอ็อิสลามนี่ก็มันก็มีความเข้าใจที่ทำให้ท่านนี่นะพอที่จะรับอิสลามอิสลามแบบปรับปรุงตัวเองให้ได้มากที่สุด ถ้ามีบางอย่างที่ยังเลิกไม่ได้นี่ต้องรับอิสลามไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเลิกแต่อันนี้เขาไม่ค่อยพูดกันไงอ๋อผมผมยังเลิกเล่าไม่ได้ยังเลิกกินหมูไม่ได้ยังเลิกเที่ยวกลางคืนไม่ได้เลิกทําชีริกได้ไหมอ๋อนี่ธรรมดา น, นผมไม่มีอยู่แล้วงั้นท่านรับอิสลามได้เลยนะแล้วของพวกนี้นี่ยค่อยๆเลิกพูดได้นะ ไม่ผิดเลยนะแล้วไม่ใช่เป็นการอารมอรวยนะเออเฮ้ยเขแล้วไม่ได้เป็นการหลอกลวงนะเฮ้ยมึงหลอกมันนีว่ว่ะไม่ใช่มันเป็นการพูดโดยตรงไปตรงมาเลยนะว่าอิสลามนี่รับพอรับได้ให้คุณอะก็มีมุสลิมดเดิมๆมาน่ะมิซินเดิมๆมันก็ทําเขาโทษนั่นก็เหมือนกันแหละ ด, ลดื่มเหล้ากับดื่มเที่ยวกลางคืนกับเที่ยวกินหมูก็มีมุสลิมอะจริงๆอะมุสลิมแท้ๆเดิมๆมาน่ะกินหมูก็มี นี่ทำติ๊กต็อกทาคอนเทนต์เพื่อนเป็นพุทธไอ้เพื่อนมันเป็นมุสลิมแล้วมันชวนมากินหมูกับเพราแล้วก็ถามชื่ออะไรอะอัสซีกินหมูกับเพราชื่ออะไรนะอัสซีอา้ามึงกินหมูไนดะ้เออกูลืมคอนเทนต์คอนเทนต์แต่มันมีจริงมันมีจริงเด็กมุสลิมไปกินหมูกับเพื่อนอะไปกินเหล้ากับเพื่อนอะมี อานเือคนที่จะมาละอิสลามจะเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้เหรอได้ปะมันไม่ได้เหมือนกันนะแต่แต่ให้ค่อยค่อยเปลี่ยนนะค่อยค่อยเปลี่ยนเนี่ยนี่หลักการค่อยคเปลี่ยนในอิสลามเนี่ยมีมีและเรื่องของท่านนาบียูนุสกับกลุ่มชนของเขาเนี่ยก็เป็นเช่นนี้สิ่งที่ท่านนาบียูนุสดาวากับกลุ่มชนขเขาเนี่คือเรื่องเดียว ผู้ดูแลอิเล่ให้กล่าวและอิเล่ให้ร้นแน่นอนมันต้องมีวิธีชีวิตของเขาหลายอย่างที่เขาอาจจะเปลี่ยนอาจจะไม่เปลี่ยนแต่มันไม่ได้ถูกระบุว่ามันเป็นสาระสําคัญที่นบะิยูนุสไปดาว่าเขาอ๋อเขาต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้แม้กระทั่งกลุ่มชนของลูตที่รกร่วมเพศเขามีสองอย่างนะเขาทําชิริกและกรกร่วมเพศด้วยและเขาไม่ยอมทิ้งทั้งสองอนะ่ะ ทั้งสองอ่ะก็เลยถูกลงโทษเพราะเป็นบาปที่เด่นทั้งสองอ่ะแต่สัานะนี่ยว่าตะกลุ่มชนของลูบเนี่ยเขาได้ยกเลิกเรื่องการทำชิดแต่เหลือเรื่องเนี้ยเรื่องรักลมเพศเนี่ยแล้วเขาขอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะนี้มันทำกันทั้งเมืองอ่ะคิดดูดิทำกันทั้งเมืองอ่ะจะเปลี่ยนแปลงกันทั้งเมืองนี่ก็มันก็อาจจะมีแหละบางคนบางคนนี่เปลี่ยนแปลงทันที หักดิบได้แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาก็เหมือนในปัจจุบันนั่นแหละเลิกบุหรี่แบบหักดิบไม่ได้เลิกเหล้าเลิกสิ่งเสร่แล้วเขากข อ, ข อ, ขอทยอยได้หมได้เราอุลามาอุลามาพูดเรื่องนี้ด้วยเหตุผลของการลำดับบัญญัติข้อห้ามของเราสุรานี่เขาไม่ได้บัญญัติทีเดียวเลย ห้ามดื่มเหล้าเนี่ยไม่ได้มาในช่วงที่น บ, บีอยู่ที่มกักกะน่ะมาที่มาดีนั่นในช่วงกลางๆอ่ะผ่านไปแล้วเนี่ยสิบกว่าปีสิบเกือบสิบห้าปีอ่ะสิบห้าปีถึงขนาดที่มีสหายอาวุโสอย่างซาดิบเนอบิวกอสเนี่ยดื่มเหล้าดื่มแล้วชอบดื่มเหล้ามากอ่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่ายังเมื่อเมื่อยังไม่มีตัวบทหลักฐานชัดๆนะนะสหาบเขาก็ยังไม่ยังไม่เด็ดขาด อ่าแล้วที่ไม่มีหลักฐานชัดๆนี่เพราะอะไรเพราะเป็นเฮกมาเนี่ยเป็นเป็นความปรียาญของอัลลอฮ์ที่ไม่ได้บัญญัติเด็ดขาดเพราะมันเป็นเรื่องยากที่จะเลิกทีเดียวสําหรับคนในยุคนั้นอัลลมาก็ได้บอกว่าอ่าแล้วก็ทุกยุคนี่ยคนที่จะเลิกบากที่ชินกันมาทํากันมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาก็ลําบากที่จะเลิกทันทีก็ใช่เลิกที่ยากที่จะเลิกดิบๆทันทีน่ยนะก็ทยอยเลิก ยังได้และในเมื่อเขายอมรับว่าเขากำลังทบาบาปอยู่แล้วก็มีจุดหมายชัดเจนว่าเขาถึงจุดเนี่ยเขาต้องเลิกอย่างแน่นอนน่ะนะอย่างแน่นอนนะ่ะนะและเจตนาของเขาเนี่ยจะเลิกแน่นอนสมมติว่าเขาเขาน่เาเลิกบุรีโหนจะเลิกดิบ <c oughs> เลิกบุรีเลิกเหล้าเลิกสิ่งเสพติดเนี่ยเลิกทันที่กูตายแน่เลยไม่ได้ เลิกไม่ไหวอ่ะเอาแล้วจะเลิกมาเลยเอาให้หกเดือนไหวไหมเออถ้าหเดือนอีกพอลิกเลิกเลกเลิกทันทีเลิกหเดือนนี่แล้วก็เลิกเลยนะครับผมสัญญาและความสัตจริงที่เขาเลิกเนี่นะหเดือนนี่นะความสัตจริงนี่นะเอาเราทรงเห็นว่ไอ้ไอ้มอนิผู้จริงไอ้มอนิจริงใจ6เดือนนี่เขาจะเลิกจริงๆสมมตินะเดือนที่สี่นี่นะตาย ฮุก้ขมัเขานี่ยังไงเอามาดูถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยพูดนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้อันนี้เอาอันนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเตือนผมแล้วกันอิลลาขวโยูนุสะล้วมาอ่านกรชันาอันหัวมาดับบลขี้ดีในชีวิตในโลกนี้เมื่อพวกเขาศรัทธาเราได้ตรวดเรื่องการลงโทษอันอัปยศเท่าเราจะลงโทษเขา ขาวปการลงโทษนี่คล้ายๆลงโทษของกลุ่มชนสมูทรอารตคือมีเสียงฟ้าร้องมีมีฝนตกแล้วก็มีฟ้าแลบที่จะทำให้กลุ่มชนของเขาเนี่ตายคาที่อัปยศเพราะในยุคนั้นนะ่ะเราลงโทษเมืองแบบนี้เนี่ยหลายเมืองและ ก, การเป็นอัปยศสิ้นดีสำหรับ สำหรับกลุมชนอื่นๆนะนะอย่างคาบสมุทรอาหรับนี่เขารู้เลยสมุนติดตายเพราะอะไรฮาร์ติตายเพราะอะไรเล่ากันเป็นตุเป็นตาเลยนะพอกุดอ่านนี่มาเล่าเนี่ยกับพวกเจ้าก็รู้พวกเจ้าก็รู้อาสมุนเนี่ยเขาเจออะไรกันมาเขารู้เนี่ยอาหรับเขารู้อรื่องอับปยุ์ที่เล่ากันรุ่นต่อรุ่นนะอัลลอฮ์บอกว่าพอเขารีบกลับเนื้อกลับตัวนะอัลลอฮ์เนี่ยจึงยกเลิกการลงโทษไอ้อับปยุต และนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องสำนึกถ้าอยากจะไม่มีบทสำนึกบทที่จะเตือนสติตัวเองนะเฮ้ยรีบเตาบตรีบเตาบตัตัวดีกว่านะก่อนที่จะเอาล็อจะลงโทษแล้วจะเป็นการอภัยะทษที่อุทธร์ไม่ได้ ยืดเวลาระยะหนึ่งแก่พวกเขายืดหมายถึงว่าให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมัตตานาหมนี่มัตตานะชีวิตมีความสุขแต่นี่เขาเขาไม่ได้แปลคําว่ามัตตานาหมอย่างละเอียดหน่อยพอก็ยืดเวลา <c oughs> แต่มัตตานาหมเนีายมีความหมายของของคําว่าอิ่มต้าอันนี้หมายถึงว่ามีมีมีความสุขลอยยืด ยืดอายุไขเวลาประวิงเวลาให้เขาเนี่ยได้อยู่อีกนานโดยมีความสุขนั่นหมายรวมว่าหลักฐานจากขยะนี้นะการที่เราได้ความชั่วทการที่เราได้ทำความชั่วทำความผิดเนี่ยไม่เป็นเหตุผลให้ภายนอกของความชั่วนี้นะให้คนอื่นที่ไม่ได้ทำความชั่วเนี่ย ตัดสินคนที่ทําความชั่วนี่ว่าเขาต้องเจอบทลงโทษแน่ๆไม่มีสิทธิ์เรงนี้เป็นหัวอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์ที่จะประวิงเวลาแล้วอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เป็นผู้รอให้เขาเนี่ยไม่ใช่เรานะ่ยนี่ลงโทษแน่ๆนี่นีนนมามม า, ม า, ม า, มาแล้วมาแล้วไมหรับมนุษย์ด้วยกันนะนะคนทําความชั่วแล้วคนนี้ไม่ทําความชั่วนะคนนี้ไม่ทําความชั่วเนี่ย ควรที่จะหวังดีให้เขามาหลายจะเต้าบาดสทีขอให้มันอ ล, ล่อเปิดหัวใจขอให้กลับเร่กับๆๆตัวหน้าที่ของคนนี้ไม่ทำความชั่วนะไม่ใช่ว่าเออมึงอย่างเงี้ยเดมึงก็เจอโดนอัล ล, ลอฮ์ลงโทษไม่ใช่ในมันทึกขออ้อยมา ม, มุสลิมท่านนบีสัลลล่งลอัลลอฮ์อะไรอยู่สั่งละบอกว่ามีพี่น้องสงคนคนนึงเป็นคนดีทําความชั่วทุกคนทุกวันอีกคนหนึ่งเป็นคนดีเตือน น้องชายเขาทุกวันทุกวันจนคนที่ทําความชั่วเนี่ยเบื่อนายพี่ชายที่เขาเตือนทุกวันเพราะมาเตือนทําไมไม่ต้องเตือนแล้วอีู่มายุ่งกับเรื่องของผมไ ม, ไม่ต้องมายุ่งพี่ชายไม่รู้ด้วยความหวังดีหรือด้วยความมั่นใจกับตัวเองอ น, นะก็บอกว่าทําไมพูดแบบนี้ยถ้าเองพูดแบบนี้นี่นะอัลลอฮ์จะไม่ให้เจ้าเข้าสวรรค์อย่างแน่นอน والله เลยดั و. و ط ط ي ي ่งขึ้นกัลหลุ้งจัาอบานขอาพเนะข้าาบานด้วยพระนามของข้าว่าอัลลอ์นี่จะไม่ให้เจ้าเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตอบโต้พี่ชายเขานี่บอกว่ามั่งแตละียแต่อัลลอฮ์เลยใครเล่าที่บังอาจสาบานด้วยพระนามของฉันนี่นะบังคับให้ข้าเนี่ยทตามที่ ตัวเองต้องการจะ ม, มาบังคับอัลลอฮ์ได้ไงสวรรค์ น, นี่ เ, นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่จะมาบังคับอัลลอฮ์ให้คนนี้เข้าสวรรค์คนนู้นไม่ต้องเข้าสวรรค์และยังยังมาสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์การที่สาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์ในเรื่องที่ไม่เป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นบาปใหญ่มากกว่าบาปใหญ่ที่น้องชายเขาทําอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่า ข้าหนี่จะให้อภัยกับน้องชายและก็ให้ตัวเองนีเข้านรกจะได้จะได้ชดบาป ท, ที่ตัวเองได้บาป ท, ที่ทํานี่คืออะไรคือสาบานเท็จสาบานเท็จว่าเจ้าจะไม่เข้าสวรรค์รู้ยังไงสาบานเท็จไม่มีสิทธิ์ในเมื่อยังไม่ตายในเมื่อเรายัางไม่ลงโทษอยู่ระหว่างการประวิงเวลาอันเป็นสิทธิ์เที่ยะหร ให้ทุกคนให้ทุกคนได้สํานึกตัวเองใช้เวลาในการสํานึกนเป็ยังไม่ตายก็สํานึกไปและในอายาหนี้บอกว่าพอเขาศรัทธาแล้วอะนะกระชันาศรัทธาแล้วนี่กรชันาเราได้บดเปื้อนการลงโทษคือไม่ลงโทษแสดงว่าความศรัทธานี่เป็นสาเหตุที่จะทําให้เราเนี่ย พ้นจากการลงโทษอยากจะพ้นจากการลงโทษศรัทธาความศรัทธาถ้าในรายการอิสลามนี่ความศรัทธานี่ทุกการทำความดีเป็นศรัทธานะนบีบอกว่าอัลอีมานอุบิดดุนหัสิบตูนอชัวบะอีมานี่หกกว่า60กว่าระดับ60กว่าเรื่อง60กว่าวาระ วาระสูงสุดของอีมานนี่เลยๆหรอกวาระต่ําที่สุดของอีมานนี่ก็คือเอาหนามที่อยู่ตามถนนสัญจร น, นี่นะหลีกซะก็เรียกว่าทําความสะอาดถนนนะให้คนสัญจรเดินได้สะดวกนี่คือวาระต่ําที่สุดทําความสะอาดนาบีเรียกว่าอีมานชีวิตของเรานี่แนี่ในฐานะที่เราเป็น คนคนหนึ่งเป็นบุคคลนี่เนี่ยคนผมเนี่ยคนหนึ่งสองคนใกล้ตัวครอบครัวสามชุมชนหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งเมืองจังหวัดประเทศยิ่งมีวาระแห่งความศรัทธามากขึ้นยิง่งยิ่งมีโอกาสที่อัลลอฮจะประวิงเวลาให้การลงโทษที่อัลลอฮกำหนดไว้แล้วสำหรับ บาปทุกชนิดที่เราทํานี่นะเราจะปลดปลดไปก่อนยิ่งมีอีม ا ن ความความเป็นอีมานความนิยมอีมานมากขึ้นแล้วอุลมอฮฺนายกตัวอย่างการติดต่อเครือญาการติดต่อเครือญาเนี่ยอิมัมนายีได้บอกว่านบีบอกว่าการติดต่อเครืญานี่ทําให้อายุยืนนานทําใหุ้รีสกีเยอะท่านได้บอกว่าอุลมอฮฺได้บอกว่าได้เห็นแม้กระทั่ง คนที่ไม่ใช่มุสลิมพอเขาดูแลพี่น้องของเขาติดต่อเครือญาติของเขาปรากฏว่าอายุยืนนานมากกว่าคนอื่นรุ่นสกีมากกว่าคนอื่นแสดงว่ามันเป็นกฎเหล็กอะไม่จําเป็นต้องมุสลิมนะทุกโต ท, ทั่วไปเพราะอะไรอะ่ะเพราะการติดต่อเครือญาติเนี่ยมันเป็นความดีอย่างหนึ่งของอิมานไงฉะนั้นคนที่จะทําความดีถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมุสมิม น, นะนะมันก็จะเป็นเหตุผล เหตุผลที่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษก็ได้แต่ถึงแม้ว่าเขามีบาปอื่น่ะใช่และที่สำคัญสำหรับการประวิงเวลานี่คือไม่ดื้ อ, ไ ม, อไม่ดื้อดึงกับคำสอนของพระเจ้าถ้าอัลลอฮ์ได้เห็นว่ากลุ่มชนกลุ่มหนึ่งเขาทำบาปกันทั้งนั้นอะแต่ในกลุ่มชนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแบบบาปแบบสนิทใจอะ ทำทำบาปแบบแบบแบบไม่กล้าทำแบบแบบอ้ายๆทำบาปแล้วก็คือไม่เปิดเผยไม่อยากเปิดเผยถ้ายังมีนะถ้ายังมีนะมันก็ยังพอมีเหตุผลที่จะได้รับการประวิงเวลามากกว่าคนอื่นทำไมกลุ่มชนของนู๊เนี่ย แลอลมาเขาบอกว่าเรื่องรักโรแมนตินี้ในเมืองอื่นก็มีนะประเทศอื่นแล้วพื้นที่อื่นก็มีนะแต่ทําไมเขาถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบแบบนี้มากกว่าเพราะเขาเปิดเผยประกาศเป็นกฎเกณฑ์และคนที่ไม่ทํำนี่จะถูกตําหนิคนที่ไม่ทํามาน่าจะถูกตําหนิและทําถึงขนาดที่แม้กระทั่งคนแปลกหน้านะ คนแปลกหน้ามาจากข้างนอกนี่หน้าตาดีเนี่ยนะออิงจะจะเล่นจะเล่นงานเขาอีกโอ้โหมันมันขนาดไหนอ่ะมันขนาดไหนอ่ะมาละอีก้านอีมานี่หน้าตาดีนี่จะจะนี่แล้วจะจะจ ะ, จะเล่นงานเขาแล้วก็สมควรแก่การที่จะลงโทษอย่างกว้างขวางแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าบาปเป็นอภิสิทธิ์ที่ทําได้และห้ามตําหนิ และใครตำหนีนี่จะโดนเล่นงานนั่นแหละน่ากลัวน่ากลัวในประวัติศาสตร์นี่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มชนของท่านนาบับดยูนุสเนี่ยเขาได้อยู่นานแค่ไหนพเพราะ a l l บอกว่ามัตตานาฮุมิลาฮินเราได้ยืดเวลาระยะหนึ่งแก่พวกเขาอยู่ได้นานแก่ไนะแค่ไหน แต่มันมีข้อมูลบ้างนะครับเกี่ยวกับเมือง น, นีนวาเนี่ยว่ากลุ่มชนของนีนวานี่ซึ่งเป็นรัฐซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรเนี้ยที่เขาได้ศรัทธาต่อท่านนบิยุสนีนวาเนี่ยแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นนะไม่กี่สิบปีนะอาณาจักรอาชูตเนี่ยก็มายึดเลยถล่มเลย ถ้าเนื้อหานี้เนี่ยมันสอดคล้องกับกลุ่มชนของอของท่านน บ, บิยูนุสนิกก็น่าจะเป็นกลุ่มชนเหล่านี้แต่ในข้อมูลนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยเขาได้ศรัทธาต่อน บ, บีท่า น, นชื่อยูนุสหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ว่าหลักฐานว่ามันไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างนี้ ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาทําแต่พอผ่านไปแล้วหลายยุคหลายสมยัยเน่ยนะก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้หมู่บ้านนี้เขา <c oughs> เขาเคยเป็นยังไงเช่นยกตัวอย่างว่าหมู่บ้านหนึ่งเขาเคยเป็นหมู่บ้านปฏิบัติตามสุนทรคติของท่านน บ, บีสุญญออาลต่ญญานละฮะอัลลอฮจนกระทั่งผู้รู้ในหมู่บ้านนี้เนี่ยเสียชีวิตไปคนในหมู่บ้านนี้นี่ก็ไม่มีผู้รู้และไปทําอุตริกกรรมตามที่เขาทําทั่วไป จนกระทั่งหมู่บ้านนี้มาสิทธิ์นี้เนี่ยเขาก็ทําอุตริกกรรมเนี่ยมาและน่กลัวตัวเองไง น, นะทําเรื่องนี้มาตั้งแต่ดึกําบันไม่เคยไม่เคยรู้จักหลักการที่ถูกต้องมีมีให้เห็นนี่ในในยุคปัจจุบันมีให้เห็นเพราะอะไรเพราะในเรื่องประวัติศาสตร์รายละเอียดในประวัติศาสตร์นี่นะรุ่นสองรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยไม่รู้ละอุยาตาย่ในเขไปเข้มไม่มีใครรู้ไม่มีใค ร, รู้ บางคนเนี่ยปู่ย่า大爷เขาเป็นโตครูนะเป็นปรมาจารย์เป็นคนสอนนะพอรุ่นหลานรุ่นหลานแล้วนะ่ยไม่รู้แล้วอ๋อโอ้เขาเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้นี่นี่ น, นี่เราเห็นกันในยุคปัจจุบั น, นแต่ก่อนนี่อาจารย์เป็นพันพันปีนะี่ยเป็นไปได้ว่ามีนบะีละซูลเคยมีบทบาทมาเทศนามาเผยแผ่แล้วก็พอเสียชีวินไปแล้วเนะี่รุ่นสองารุ่นสี่รุ่นหรุ่นนะ่ยลืมละลืมหมดเลยและไม่มีใครจดจําไม่มีใครจารกึกไม่ม ไ, ได้ แต่ละ سبحانه และ تعالى ได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกเรารุ่นต่อรุ่นแตะสัจจะทำก็อานตร này, ียืนยันได้ในะเรื่องนบีรัสูลี่มันไม่แค่รุ่นเะดียวนะมันมีตั้งแต่ตั้งแต่มีมนุษย์ในโลกนี้นะี่นะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ดูแลพวกเจ้านี่มาตลอดดูแลมนุษย์นี่มาตลอดตั้งแต่เกิดในโลกนี้เนะี่ยมีนบีทรงนบีรัสูล ม, มาเรื่อยเรื่อ ย, อยมันจะยืนยันชัดเจนอะ เรือ er ่องราวของนบีแลราสู้เลยมันเป็นเรื an, ่องมันเป็นเรื่องจริงมีมูลจริงถึงแม้ว่าเราหลงลืมไปก็ทําตามสัญญาที่บอกกับพี่น้องแล้วนะครับเรื่องราวของท่านนบดุยูนุสก็สมควรแก่การที่จะอธิบายในวันนี้ใช้ทั้งคาบเลยนะในการอธิบายเรื่องราวของท่านอบดุลยูนุสเรป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นพระเอกของอายะของสุระ เป็ยูนสุสนะก็เป็นพระเอกของสุรนี้และมีความสําคัญมิูทอุท า, าหอนสาคัญที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสุ ร, <c oughs> ส ร, รนครครี้ทั้งหมดถ้าสุรนี้ทั้งหมดเนี่ให้กําลังใจกับนบีมุฮัมมัดและผู้ศรัทธาอายะนี้กับกับนบียูนุสซึ่งเป็นเหตุผลในการตั้งชื่อสุรนี้นะเป็นการให้กําลังใจแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ดื้อดึงกับอัลลอฮ์ผู้ที่ ประวิงเวลาให้ต <Tamam. S 1> ัวเองอัลลอ์ก็ประวิงให้แต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้นี่สุดยอดของการให้กำลังใจที่อัลลอ์มีป่ะพวกเรานะคะอัสลัมลัลลอฮุอะลันบีนะมุฮัมมัดวะลัอัลัสอฟิลัมมีคำถามไหมครับหากว่ามีการละเมิดวจะร่างกายทรัพย์สินถูกละเมิดควรจะปฏิบัติตัวยังไงครับที่ถูกละเมิดอะ ก็แล้วแต่จะให้อภัยเขาหรือไม่ให้อภัยเขาเราจะเรียกร้องทําได้ทั้งนั้นทําตัวยังไงก็ต้องขอมาอับเขาของคืนสิศี์ของเขาสรุปหลักสัพพที่ถู ก, กต้องตอนนี้เราต้องเชื่อ ว, ว่าท่านนาบีประเสริฐที่สุดหรือว่าท่านนาบีอยู่ในประเสริฐความเชื่อนี่เราต้องเชื่อ ว, ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดประเสริฐแน่นอนแต่มุสลิมนี่ห้ามพูดมามาปเปิดเทียบไอ้ยนบีมุฮัมมัดของเรานี่ดีกว่านาบีคนนู้นคนนี้เนี่ย คำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดว่าอย่าให้เปรียบเทียบนี้เพราะหนึ่งนบีถ่อมตนแต่นบียืนยันว่านบีประเสริฐที่สุดแน่นอนแต่นบีพูดได้นบีเองก็พูดได้ว่าในอัดุสบุคอรีนบีบอกว่าอ่านะอัฟดาลุนนะซิวลาฟัครข้าพเจ้านี่คือมนุษย์ประเสริฐที่สุดโดยที่ข้าพเจ้านี่ไม่โอ้อวดแต่นี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีนบีนั้นพูดได้แต่เราน่ยพูดไม่ได้ เรานี่พูดไม่ได้สมมติวเรานี่เป็นเป็นหลานนะเราเป็นหลานใช่ป่ะพ่อเราแล้วก็มีลุงมีอามีป้าใช่ป่ะต่อหน้าพี่น้องของพ่อเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยป๋าฉันนี่แน่ดีกว่าพี่น้องแล้พูดต่อน้าพี่น้องป๋าป๋าของฉันนี่ยดีกว่าพี่น้องป๋าทั้งนั้นพูดได้ไหมไม่ได้แต่พี่น้องด้วยกันในเวลาขโมยนี่ปากเองอะนะดีที่สุด ในหมู่พี่น้องในป๋านในแจวที่สุดเนี่ยเขาเขาาด้วยกันแต่พูดกันเองได้แต่อีเรานี่นะลูกลูกห ล, กลานเนี่นะผู้ใหญ่นี่ไปพูดไม่ได้นบีสอนประมาณนี้พอสอนนี่ก็เท่ากับเราปิ้งอะไรกับบรรดานับีเขาเป็นพี่น้องเนาะบรรดาบีบอกว่าบรรดาพี่น้องอเป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องกันแต่เราเร า, เ ร, ารักนบีของเราเนี่ยเราจะเราจะโซนเราเราไปพูดกับพี่น้องคริสต น บ, บีน้องยูเนี่ยนเนี่ยน บ, บีมุ hammad เนี่เสริกว่ามูซ่าเนี่ยไม่ได้เพราะนาบีบุคของเรานี่สั่งมาให้พูดในส่วนของอัลลอ์ครับที่อลลอห์บอกวให้นบีมูซามองไปที่ภูเขาครับแล้วก็จะหนว่าเห็นตัวห้อมแล้วก็สนุกไปฮะนบีเห็นแค่มองไปที่บุกเขาแล้วสนุกหรือว่าเห็นเพียงเที่ยวเดียวของโฮมแล้วก็สนุไปคืออัลลอฮ์ไม่ได้ปรากฏที่บุกเขาแน่นอนที่ปรากฏนี่ ต่จ้านีนี่ยแต่เานีมายถงว่าอัลเมานีบอกว่าการปรากฏของอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ปรากฏด้วยตัวพระองค์เองแต่ปรากฏด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งมันมีสิ่งที่เปรียบเทียบได้นี่ก็เช่นอายะที่อัลลอ์ได้บอกว่าเลวอันลนาฮาัลกุรอานะลาบลิละชามุตัดดิ ถ้าคุณอานนี่ถูกประทานลงมาบนภูเขาลูกหนึ่งภูเขานี้มันจะแตกเป็นเสี้ยวก็แสดงว่าแต่เจลลาเฟลมมาต่เจลลารับบูลิลจเบลเมื่ออัลลอฮ์ได้ปรากฏนี่ปรากฏด้วยคุณลักษณะด้วยสีฟ้าบางอย่างของพระองค์ก็ได้มันมีรายงานหนึ่งแต่เป็นฮะดีสอดฟจากตาบีอินว่าอัลลอฮ์ได้ปรากฏเท่ากับปลายนิ้วของคนคนหนึ่ง แต่ปัญหาริ่ย่อยนั้นไม่น่าเชื่อถช่กับาละกับอาซาบไม่ต้องแตกต่างแน่อาซาบนี่ก็คือลงโทษอย่างเดียวลบอย่างเดียวบาลานี่นะอาจจะเป็นอาซาบเป็นการลงโทษหรืออาจจะเป็นบททดสอบบาละอิทธิละบททดสอบก็ได้บททดสอบนี่บวกแต่อาซาบนี่ลบอย่างเดียว แต่บัลลังค์นี้อาจจะบวกอาจะลบทั้สอง سبحانك اللهم وبحمدك شدوا لا إله إلا أنت ص ل ر ى و وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه